หปัจจายานุโลมสองสังขยาวานสุทไนัยมสเหตุปัจจัยมีสิบอดวาระอารามณปัจจัยมีเจ็ดวาระอธิปฏิปัจจัยมี9้าวาระอนันตระปัจจัยมีเจ็ดวาระสมานันตรปัจจัยมีเจ็ดวาระตาชาตปัจจัยมีสิบอดวาระ อัญญะอัญญะปัจใจมีเจวาระนิตยปัจจัยมี11วาระอุปนิตยปัจจัยมีเจวาระปุเรชาตปัจจัยมีเจวาระอาเสวนปัจจัยมี6วาระกามปัจจัยมี11วาระวิปากปัจจัยมี11วาระอาหารปัจจัยมี11วาระอินทรียปัจจัยมี11วาระชานปัจจัยมี11วาระ มัคปัจจัยมีสิบเอดวาระสัมปยุตตปัจจัยมีเจ็ดวาระวิปยุตตาปัจจัยมีสิบเอดวาระอธิปัจจัยมีสิบเอดวาระนัตถิปัจจัยมีเจ็ดวาระวิคตปัจจัยมีเจ็ดวาระอวิคตปัจจัยมีสิบเอ็ดวาระเหตุทุกกไหนอารามณปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีเจ็ดวาระละ อวิกตะปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี11วาระในวงเล็บพึงนับเหมือนในกุรลติกะอนุโลมจบ 2. ปัจจยยปัจจนิยะ 1. วิพังขวานในเหตุปัจจัย 36. สภาวธรรมที่กรรมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทาน ทำสภาวธรรมที่กรมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะน่ะเหตุตุปัจจัยได้แก่ทำขันหนึ่งที่เป็นน่ะเหตุตุกะซึ่งการมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานละในปฏิสนธิขนาดที่เป็นน่ะเหตุตกะละสำหรับเราอญญาจารย์ยศตพร้ม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 แต่เป็นอารมณ์ของอุ ป, ปาทานทำสภาวะธรรมที่กรมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือเป็นอารมณ์ของอุปาทานให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะนเหตุุปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานรูปทำขันธ์ที่เป็นน่เหตุุกะซึ่งการมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น ขันธ์ที่เป็นเหตุตุกตาซึ่งการมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานทำใหทายวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นโมหะที่ต่รักด้วยวิจิกิจฉาและที่รตรักด้วยอุทัจจะทำใหทายวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่การมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทาน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 ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นและที่เป็นภายนอกที่มีอาหารเป็นสมุทฐานท ร, รมหาภูต ร, รูปหนึ่งที่มีอุตุเป็นสมุทฐานและรูปโมหะที่ถรารคตด้วยวิจิเกชฌาและที่ถอรคตด้วยอุทัจจะทำขันธ์ที่ถารคตด้วยวิจิเกชฌาและที่ถารคตด้วยอุทัจจะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น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 แก่จิตตสมุทฐานรูปทำขันที่เป็นอเหตุุกตะซึ่งการมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานและทำมหาภูตรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันสามทำขันหนึ่งที่เป็นอเหตุกตะซึ่งการมันประกอบด้วยตัณหาได้ท you ิฏฐิไม you ่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานและทำหทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละขันสองทำขันสองและหทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น โมหะที่ถอรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่ถอรคตด้วยอุทจัจจะทำขันที่ถอรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่ถอรคตด้วยอุทจัจจะและธรรม้ไทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นนอารามานปัจจัย37สภาวธรรมที่การมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุ ป, ปาทาน ทำสภาปธรรมที่กรารมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุ ป, ปาทานให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะนะอารามณปัจจัยในวงเล็บย่อหน้าที่ปฏิปจัยสามสิบแปดสภาวธรรมที่กรารมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานทำสภาวธรรมที่กรารมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น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 ขันสามทำขันหนึ่งที่การมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ ย, ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานและาธรรมะไทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละขันสองทำขันสองและธรรมะไทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นนาอนันตรปัจจัยเป็นต้น 39. สภาวธรรมที่การมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทาน ทำสภาวะธรรมที่กรมมันประกอบด้วยตัญหาและทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะนัอ น, น, อ น, น, จจนันตระปัจจัยเพราะนัสมนานันตระปัจ จ, ปจัยเพราะนัอัญญมัญญาปัจจัยเพราะนัะอุปนิสตยปัจจัยเพราะนัปุเรชาตปัจจัยเพราะนัปัจฉาชาตปัจจัยเพราะนัอาศัวณปัจจัยละนักกรรมปัจจัยสี่สิบ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 และไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะนกรรมมปัจจัยได้แก่เจตนาที่เป็นกุศลซึ่งกรรมันประกอบด้วยตันหาได้ทิฏฐิไม่ยึดถือและไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานทมขันที่เป็นกุศลซึ่งกรรมันประกอบด้วยตันหาได้ทิฏฐิไม่ยึดถือและไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานและทำหัตถวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น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 ทำสภ า, าวะธรรมที่กรรมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานและที่กรรมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือและไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นพระนวิปากับปัจจัยแห่งเล็บย่อสภาวะธรรมที่กรรมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ย um ึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทาน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 แต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานและธรรมะไทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละขันสองทาขันสองและธรรมะไทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นณอาหาระปัจจัยเป็นต้น 42. ส2สภาวธรรมที่กรรมมันประกอบด้วยตันหาและทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานทำสภาวธรรมที่กรรมมันประกอบด้วยตันหาและทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทาน ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะนอาหารปัจจัยเพราะนอินทรีย์ปัจจัยเพราะชาเพราะนั่นชาลปัจจัยเพราะนมรรคปัจจัยเพราะน่สัมปยุตตะปัจจัยเพราะนวิปยุตตะปัจจัยเพราะโนนติปัจจัยเพราะโนวิกตาปัจจัยในมือเล็บย่อสอปัจจัยปัจจนิยะสสังขยาวาน43สา นเหตุปัจจัยมีห้าวาระนอารามณปัจจัยมีหกวาระนาทิปติปัจจัยมีแปดวาระนอนันตรปัจจัยมีหกวาระนาสมนันตรัปัจจัยมีหกวาระนาัญมัญญปัจจัยมีหกวาระนปนิสสียปัจจัยมีหกวาระนาปุเรชาตปัจจัยมีเจดวาระนปัจชาชาตปัจจัยมีสิอดวาระ นอาเสวะนปัจจัยมีสิอวาระนกรรมปัจจัยมีหกวาระนวิปากปัจจัยมี10บวาระนอาหารปัจจัยมีสองวาระนอินตริยะปัจจัยมีสองวาระนาชาณปัจจัยมีสองวาระนมัคคปัจจัยมีห้าวาระนสัมปยุตตปัจจัยมีหกวาระนวิปยุตตะปัจจัยมีสวาระ โนนติปัจจัยมีหกวาระโนวิกตาปัจจัยมีหกวาระในมุงเล็บพึงนับโดยพิสดาร 3. ปัจจญานุลมปัจญียะ4ีนอารามานปัจจัยกับเหตุปัจ จ, ย จ, จ, ย ana, จยัยมีหกวาระละโนวิกตาปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีหกวาระในมุงเล็บพึงนับโดยพิสดาร สปัจจยปัจจนิยานุโลม45อารามณปัจจัยกับนาเหตุุปัจจัยมี4วาระละอวิกระตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี5วาระปัจจยวาลจบ 4. อุปาทินติกะ 4. นิสัยวาล46 สภาวธรรมที่การมันประกอบด้วยตัณหาและท ja ิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานอาศัยสภาวธรรมที่การมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิย UM. ึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันสมาอาศัยขันหนึ่งที่การมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานเกิดขึ้นอาศัยขันสามวงเล็บย่อในวงเล็บ ปัจจยาวาลและนิจยาวาลเหมือนกัน น, าานิจยวาลจบ 4. อุปาทินติกะ 5. สังสัตถวาล 1. ปัจจญานุโลมเหตุปัจจัย47 ส, ส, สภาวธรรมที่การมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถื อ, ถอและเป็นอารมณ์ของอุปาทานเกิดประคนกับสภาวธรรมที่การมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถื อ, ถอ และเป็นอารมณ์ของอุปาทานเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันสเกิดพระคนกับขันหนึ่งที่การมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานขันหนึ่งเกิดพระคนกับขันสามขันสองเกิดพระคนกับขันสองในปฏิสนธิขณะขันสามเกิดพระคนกับขันหนึ่งที่การมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานละ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 และไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานละขันสองเกิดพระคนกับขันสองในวงเล็บยอ่อสังขยาวานสี่สิบปเหตุปัจจัยมีสามวาระละอธิปติปัจจัยมีสองวาระละอาเสวนาปัจจัยมีสองวาระละวิปากปัจจัยมีสองวาระละอวิคตตปัจจัยมีสามวาระ ในมูลเล็บพึงนับเหมือนในกุสลติกะอนุโลมจบ 2. ปัจยยปัจญียะนาเหตุปัจจัย49สภาวธรรมที่การมันประกอบด้วยตัญหาและทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานเกิดระคนกับสภาวธรรมที่การมันประกอบด้วยตัญหาและทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานเพราะนเหตุปัจจัย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 เกิดประคนกับสภาวธรรมที่การมันประกอบด้วยตันหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานเพราะนาเหตุปัจจัยได้แก่ขันสามเกิดประคนกับขันหนึ่งที่เป็นนาเหตุกะซึ่งการมันประกอบด้วยตันหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานละขันสองเกิดประคนกับขันสองโมหะที่ต่อรคด้วยวิจิกิจฉาและที่ต่อรคด้วยอุทัศจะ เกิดระคนกับขันธ์ที่ตรคตด้วยวิจิกิจชาและที่ตรคตด้วยอุทธัจจะในมือเล็บยอบ่อนเหตุปัจจัยมีสองวาระหน้าทิปฏิปัจจัยมีสามวาระละนวิปยุตปัจจัยมีสามวาระในมือเล็บยอบ่อปัจจนยจบ3ามปัจจนญานุลมปัจจนยหน้าทิปฏิปัจจัย กับเหตุป si Am si right ัจจ si ัยมีสาวาระละนวิปปยุตตาปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสาวาระ 4. ปัจจะยปัจญิยานุโลมอารามณปัจจัยกับในเหตุปัจจัยมีสองวาระละอวิคตปัจจัยกับในเหตุปัจจัยมีสองวาระสังสัทธวานจบ4อุปาทินติกะห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 ก่เหตุที่การมันประกอบด้วยตัณหาไร้ทิฏฐิไม่ยึดถือและไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานเป็นปัจจัยแก่สัมยุตตะขันและจิตตสมุทฐานารูปโดยเหตุปัจจัยอารามณปัจจัย52สภาวธรรมที่การมันประกอบด้วยตัณหาไร้ทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่การมันประกอบด้วยตัณหาไร้ทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานโดยอารามณปัจจัย ได้แก่พระเสขะหรือปุถุชนเห็นแจ้งจากสุดโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตายินดีเพลิดเพลินเพราะปราลบความยินดีเพลิดเพลินจากสูนั้นราคะจึงเกิดขึ้นละโทมานต์จึงเกิดขึ้นเมื่อกุศลและอกุศลดับแล้วจิตตุ ป, ปาทที่เป็นวิบากจึงเกิดขึ้นโดยเป็นตทารมเห็นแจ้งโสตะคานะชิวหากาย รูปที่การมันประกอบด้วยตันหาและทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานกลิ่นรสผู้ถะพระหทัยวัตถุขันธ์ที่การมันประกอบด้วยตันหาและทิฏฐิยึด ถ, ถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตายินดีเพลิดเพลินเพราะปรารบความยินดีเพลิดเพลินโสตะเป็นต้นนั้นราคาจึงเกิดขึ้นและโทมนั์จึงเกิดขึ้น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 ยินดีเพลิดเพลินเพราะปรารบความยินดีเพลิดเพลินจากสู่นั้นราคัดจึงเกิดขึ้นและโทมนัสจึงเกิดขึ้นเห็นแจ้งโสตคานะจิวหากายรูปที่การมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานกลิน่นรสโพธพะหทัยวัตถุขันธ์ที่การมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทาน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 รู้จิตของบุคคลผู้มีความพรั่งพร้อมด้วยจิตที่กรรมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานด้วยเจโตปริยายานขันที่กรรมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานเป็นปัจจัยแก่อิทธิวิทยานเจโตปริยายานปุเพนิวาสานุสติสยานอนาคตัตัญญาณและอวัชนจิตโดยอารามณปัจจัย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 พิจารณากุศลที่เคยตั้งสมไว้ดีแล้วออกจากฌานแล้วพิจารณาฌานพระอริยะพิจารณาโคตรตรพูพิจารณาโวทานพิจารณากิเลสทิละได้แล้วพิจารณากิเลสที่คมได้แล้วรู้กิเลสที่เคยเกิดขึ้นเห็นแจ้งรูปที่การมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุ ป, ปาทานเสียงกลิ่นรสโพธะ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 รู้จิตของบุคคลผู้มีความพรั่งพร้อมด้วยจิตที่กรรมประกอบได้ตัณหาได้ทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานโดยเจโตปริยยานอากาสานัญจา ย, ยตนะเป็นปัจจัยแก่วิญญาณัญจา ย, ยตนะโดยอารามานปัจจัยอากินจัญญายตนะเป็นปัจจัยแกเนวสัญญานาสัญญายตนะโดยอารามานปัจจัย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 เป็นอนัตตายินดีเพลิดเพลิน เ, เพราะปรารบความยินดีเพลิดเพลินรูปเป็นต้นนั้นราคะจึงเกิดขึ้นละโทมนัสจึงเกิดขึ้นเมื่อกุศลและอกุศลดับแล้วจิตวิบาทที่เป็นวิบากจึงเกิดขึ้นโดยเป็นตทารมอาการสานัญจา ย, ยตนะกุศลเป็นปัจจัยแก่วิญญาณานจา ย, ยตนะวิบากโดยอารามนัปัจจัย อากิจัญญายตนะกุศสเป็นปัจจัยแก่เนวสัญญานาสัญญายตนะวิบากโดยอารามานปัจจัยรูปายตนะที่การมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุ ป, ปาทานเป็นปัจจัยแกะจะ่จักขวิญญาณและโพธพายตนาเป็นปัจจัยแกกายวิญญาณโดยอารามานปัจจัยห้าสิบสี่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 เพราะทำความยินดีเพลิดเปลินจากสูนั้นให้เป็นอารม์อย่างหนักแน่นราคะจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นยินดีเพลิดเปลินโสตะคานาะชิวหากายรูปที่การมันประกอบด้วยตันหาและทิฏฐิยึดถือและเป็นอารม์ของอุ ป, ปาทานกลิน่นรสโพธิภะหทไทยวัตถุ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 แต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานโดยอธิปฏิปัจจัยมีสองอย่างได้แก่อารมนาธิปติและสหาชาทิปติอารมนาธิปติได้แก่บุคคลให้ทานสมาทานศีลรักษาโบสดและพิจารณากุศล น, นั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นพิจารณากุศลที่เคยตังสมไม่ดีแล้วให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นออกจากฌานแล้วพิจารณาฌานให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น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 เพราะทำความยินดีเพลิดเพลินรูปเป็นต้นนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นราคะจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นสหาชาตาธิปติได้แก่อธิบดีธรรมที่กรรมนประกอบด้วยตัญหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุ ป, ปาทานเป็นปัจจัยแก่สัมประยุติขันและจิตตสมุทฐานารูปโดยธิปติปัจจัย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 เกิดหลังโดยอนันตระปัจจัยปัญจวิญญาณเป็นปัจจัยแก่มโนธาตุที่เป็นวิบากโดยอนันตระปัจจัยมโนธาตุที่เป็นวิบากเป็นปัจจัยแก่มโนวิญญาณธาตุที่เป็นวิบากโดยอนันตระปัจจัยสภาวธรรมที่กรมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่กรมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือ แต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานโดยอนันตระปัจจัยได้แก่พวังคจิตเป็นปัจจัยแก่อวัชนจิตมนโนวิญญาณธาตุที่เป็นวิบากเป็นปัจจัยแก่มนโนวิญญาณธาตุที่เป็นกิริยาโดยอนันตระปัจจัยสภาวธรรมที่การมมันประกอบด้วยตันหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทาน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 เป็นปัจจัยแก่ตภาวธรรมที่กรรมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือและไม่เป็นอารมณ์ของอุ ป, ปาทานโดยอนันตรัปัจจัยได้แก่โคตรภูเป็นปัจจัยแก่มรรคโวทานเป็นปัจจัยแก่มรรคอนุโลมเป็นปัจจัยแก่ผลสมาบัตเนวสัญญานาสัญญายตนะของผู้ออกจากนิโรธเป็นปัจจัยแก่ผลสมาบัตโดยอนันตรัปัจจัย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 ขันสองเป็นปัจจัยแก่ขั้นสองละปฏิในปฏิสนทิขนาดขันหนึ่งที่กามันประกอบด้วยตันหาและทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุ ป, ปาทานเป็นปัจจัยแก่ขันสามและกะตะัตตารูปโดยสหชาตปัจจัยละขันสองเป็นปัจจัยแก่ขันสองและกะตะัตตารูปละขันเป็นปัจจัยแก่หทัยวัตถุและหทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันละ มหาภูตรูปหนึ่งเป็นปัจจัยแก่มหาภูตรูปสามละมหาภูตรูปสามเป็นปัจจัยแก่มหาภูตรูปหนึ่งละมหาภูตรูปสองเป็นป ah ah ัจจ ah ัยแก่มหาภูตรูปสองละมหาภูตรูปเป็นปัจจัยแก่กัตตารูปที่เป็นอุปาทายรูปโดยสหชาตปัจจัยสำหรับลาวจัญญสัตพรมมหาภูตรูปหนึ่งละ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 มหาภูตรูปเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทฐานารูปละที่เป็นภายนอกที่มีอาหารเป็นสมุทฐานมหาภูตรูปหนึ่งที่มีอุตตุเป็นสมุทฐานละมหาภูตรูปเป็นปัจจัยแก่อุปาทายรูปโดยธาชาตปัจจัยสภาวธรรมที่การมันประกอบด้วยตัญหาได้ทิฏฐิไม่ยึดถือและไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทาน